ใจใจเจตมจักทั้งออกมาทั้งวาจาทั้งกิจใส่ใจนําำให้ความสุขดีวันนี้ก็เป็นวันอาสฬหะบูชาวันเพ็ญเดือน8ปดแต่ปีนี้วันเป็นแปดสองหมุนมาเป็นวันเพ็ญเดือนเก้า นับจากการตัดสู่ของพระเจ้าสองพันหกร้อยปีกับเก้าสิบวันมาถึงวันนี้รอบหนึ่งอีกที่พวกเราได้มีโอกาสครบรอบหนึ่งได้มาเรื่องกันวันณาสลาปุชชา มาสมทานฉินมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็มีชีวิตมาถึงนี่แล้วเพราะต่อยอดไปเรื่อยๆไปมาปฏิบัติธรรมก็คือมาเรียนรู้จากความรู้มาเรียนรู้จากผู้รู้ การเดียนรู้จากผู้รู้หรือการเดียนรู้จากตำราตำราหราานังสือต้องเอาจําเอาอันนั้นเป็นความรู้ทางโลกโลกความรู้ทางพุทธศาสนาทางธรรมะมาเรียนรู้จากสภาที่มันที่ความรู้อวิหะที่รู้ที่มันเกิดขึ้น ก, กับกวขวายกับใจเราดี เมื่อเราปฏิบัติจะได้เห็นภาวะที่รู้นี้ให้ภาวะที่รู้สอนกายสอนใจเราสิ่งที่มันไม่ใช่รู้เกิดขึ้นดนกายที่ใจมากาย ป, ปฏิบัติทรรมจะมีโอกาสสอนเองได้มากายเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิด ข, ขึ้นกับกายกับใจ อาวะที่รูจะสอนสิ่งที่ผิดให้เกิดความรู้ขึ้นมาสิ่งไหนไม่ใช่ความรู้เป็นสิ่งที่ผิดเมื่อถูกสอนบ่อยๆก็จะเชื่องลงจะดีขึ้นเคลื่อนเรามีสติต้องกับความหลงมีสติดูกายเคลื่อนไหวคู่แันเข้าเยรแขนออก สิ่งที่มันเกิดที่มันหลงขึ้นมาก็ผุขึ้นมาแต่เราให้ความรู้ตั้งไว้แล้วก็ไปทักท้วงรู้เห็นสงที่เหมือนเกิดขึ้นกลับมาตั้งไว้ความรู้จักตัวข้างแล้วข้างเล่านอกจากความหลงจากความคิดรอมหลงจอกอาการต่างหรือเกิดกับกายกมาม ก็จะกลับมาเหมือนเดิมมามีความรู้สึกตัวที่กู้แขนเข้าเหยื่อแขนออกนี่คือเรียนรู้จากสภาวะที่รู้จะเรียนรู้จากสภาวะที่รู้ช่นนี้จีเกิดเป็นพุท ธ, ธมีศีลมีสมาธิเหมืนาเป็นเครื่องทำให้เกิดการหลุดพ้นจาก อาการ่างๆได้เป็นพุท ธ, ธะขึ้นมาได้พุท ธ, ธะในภาวะที่รู้มากกว่าอันอื่นเมือนก็เราฟังพระสูดที่สวดธรรมจตุธรรมเทศนากันหร้าของพระเจ้าอเรื่องดีทั้งนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมเพ็นงสติรู้ฉันเข้าใจฉันหลอกเห็น สิ่งเหล่านี้ชัดเจนแม่นยำไม่ต้องถามใครนี่อยู่พร้อมแล้วได้บทเรียนเยอะแยะที่มันเกิดจากการสะใจเ่านี้เมื่อได้บทเรียนก็มีประสบการณ์ไม่ว่าเราทำอะไรถ้ามีประสบการณ์มีบทเรียนกับสิ่งที่ผิดที่ถูกก็มีความจำนานรู้แจ้งรู้ยิ่งขึ้น เกิดวิปัจจนานญาณขึ้นมาตงพ้นเพราะวะโขกเก่ า, กาได้อ น, นัางกละได้แล้วอย่างที่เราสาเทียพสูตรทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วทุกลูกแจ้งเล่าทําได้แล้วอย่าทีเกิดทุกเรารู้แล้วทําให้แย้งแล้วละได้แล้ววิธีทําให้กั ก้นเจาความทุกข์เราทำแล้วๆทำให้เกิดนี้ขึ้นแล้วเพราะมันอยู่ในสอถธาตมาเองได้เห็นเองผู้ปฏิบัติจอมเห็นเองในสิงที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยเราเห็นเองนั้วก็คือเรื่องเก่าเรื่องทุกข์สองธายุในโลกมาคือเรื่องเก่าๆไม่ใช่เรื่องใหม่ เราเอาเรื่องเก่าภาวะที่ลู่เข้าไปเฉลยเหมือนเดิมมันก็ย่อมจะไม่ชํานานมากขึ้นไม่ลู่ก็ลู่แล้วย่าไม่ทําม่ได้ก็ทําได้แล้วไม่แจ้งก็ทําไม่แจ้งแล้วทําให้เกิดมีได้แล้วว่าได้ทำหลงไปนัหลงก็ไรลู่หลงไาในความหลงเดี๋ลูลล่ไปเทีนที่ความหลง ความรู้ไปเท่านี่ความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นปากับใจเรานี่เรียกว่าอาริสัตต์เรียกว่าอาริสัตต์ของจริงที่มันเหตุให้เกิดทุกข์เหต้เกิดทุกข์ไม่อยู่มันก็ไปตรงตร ง, ตรงกับความรู้จักตัวมันมันก็เปิดเผยไม่ปิดบังง้ำพลาง ถ้ามีสติไม่มีตัวไหนปิดบางอางภารใกายในใจเรานี่ได้บทเรียนเยอะแยะได้ประสบการณ์เยอะแยะที่ได้พบได้เห็นเรื่องอาการต่างที่เกิดกับน้าับาัจเป็นสูตรเป็นสูตรไปผูวว้ปฏิบัติก็ย่อมเลยเห็นโน่นเห็นนี่เป็นหมวดเป็นหมู อะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้เห็นความหลงมันใช้ไม่ได้เอรู้สึกตัวมันใช้ได้ความทุกข์มันใช้ไม่ได้ความรู้สึกตัวผมไม่ทุกข์มันใช้ได้ต่อแต่สมผลต่อบไปเองไม่มีคําถามความจริงความเท็จเป็นยังไงเราต้องไปถามใคร อะไรี่มาเกิดกับกว่ากับใจเรานี่วนความเท็ความจริงถ้ามีสติเป็นที่ตั้งสติเป็นเจ้าทินสติเป็นเจ้าของสติเป็นผู้ดูแลถ้าได้สติในผู้ดแลกายชำนานกายสติชำนาญจิตใจในเรื่องอะไรเกิดขึ้นมีอานาจอํานาจในความรู้จิตตัวก็กลายเป็นธรรม มันธรรมเกิดขึ้นตัวกายตัวใจเมื่อกายใจต้องรับความเปนธรรมแล้วอะไรที่ไม่เป็นธรรมก็ตื่นเรืล้นที่แก่หุดเขื่นขนขอนมาเช่นทุกเนี่ยเป็นสิงที่ทิ้งไม่ได้มีไม่ได้แน่นอนเฉยไม่ได้แต่ที่ว่าความทุกข์มีสติก็ต้องดูแลเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกยงุงให้เต่เลยไม่ให้ตอม อ๋อจนเจออะไรเที่ยมทำให้เกิดโตเกิดลูกลูกลองหอายอาสาเหตุที่ที่เป็นสติปัฏฐานยิ่งเป็นเกิดเป็นิเ น, นเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาก็ยิ่งชำระล้างจริงตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องเป็นไปเองกำจัดไปเอง พุทธคือกำจัดความทุกข์สัมมากําจัดทุกข์สังฆะกำจัดทุกข์หลังที่เราสวดพุทโธทุกขะจาคาตาจาวิคาตาจายิตาสมีพระเจ้าป็นเครื่องกับจัดทุกข์มันเช่นอย่างอื่นตรโมทุกขะจารธรรมมสสะราตาจายิตัาจมี ว่าตามเป็นเครื่องกำจัดทุกข์พระสมเหมือนเครื่องกำจัดทุกข์มันเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ไม่ใช่มีใครมาช่วยเราสร้างขึ้นในตัวเราแล้วเราว่าที่รู้เนี่ยเกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาอยู่เแลได้คุ้มครองไา้กำจัดได้ถ้าเราทําเป็นแล้วเึิดไปเอง จึงเรียกว่าได้ทําให้เกิดมิได้แล้วทําให้เกิดมิได้แล้วในอริยจัตรในเราทั้งหลายอะไรที่มันมีตรงไหนทําได้แล้วทําได้แล้วทําเป็นแล้วกอนที่ทําเป็นทําได้ต้องฝึกหนัดไม่ใช่ไปใช่เชหตุผล สัมผัสสัมผัสเตาเรืองมีสติสัมผัสกับกายมีสติสัมผัสกับใจกายกับจต่อกันอะไรกับรู้เกิดกับกายกันรู้มาถึงภาวะที่รู้ก็จบแค่นี้อะไรเกิดกับจใจก็มาถึงภาวะที่รู้สิ่งที่ทําให้เกิดความรู้ก็มีกรรมฐาน มีนิมิตมีที่ตั้งที่ที่แรกก็หัดที่ตั้งมีนิมิตมื่อกลับบางเองที่แรกก็ต้องกลับมาขวนขวยทวนกระแสหัดไปหัดไปไม่ได้ไม่ได้ทวนกระแสลายมันง่ายเรไม่ไดเปึกถ้ามันเป็นแล้วมัต้องเปิดกํานา น, นเวลาหัดเขียนหนังสือที่แรกก็ใช้บรรทัด ตอไปไต้องอาศัยบนทัดตรงไปเองอัตไลก็จะมานเรื่องนั้นมันหัดได้มันสอนได้ยิ่งสติเปในกายยิ่งสอนได้ทุกเรื่องทุกเหลาสติมีในใจก็ยิ่งสอนใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกเหลาโอ๋อะไรมันไม่จริงเท่ากับสติไม่ใช่ เท่ากับความรู้จักตัวในตัวมันเองหลวงพ่อเตียนจว่ามีสติ ด, ดูกายเห็นจิต ด, ดูกายจะไปเห็นจิตเองมันอยู่ด้วยกันนี่เป็นรูปเป็นนามเมื่อเห็นกายเห็นจิตมีสติเห็นก็ถือว่าอะไรที่เกิดกับกายกับใจกับรูบ อันรูอันเดียวไปเป็นตัวเฉลยหลงไม่เป็นหลงหลงเป็นรูไปเสจะแล้วทุกเป็นปรูไปจะแล้วอะไรก็เป็นรูไปเจะแล้วมันแล้วทําอะไรไม่ต้องแล้วถ้าทำไม่แล้วม่วรวยทํามันทําไมทํำอะไยก็ต้องเสิด็จองไําำนาก็ได้เสด็จ เกี่ยวข้าวก็เกี่ยวเสร็จสร้างบ้านก็สร้างเสร็จอันนี้บาสร้างสติไปในกายในจนิตนี่อะไรที่ไม่ใช่สติก็เสร็จลงมาได้กายเป็น ท, ร ท, นนทำรักษาผู้วิทังอยู่เป็นนิสธรรมก็ย่อมรักษาผู้วิทังไม่ตกไปในที่ชั่ว เป็นไปเองไม่เหมือนกับรับภายนอกรับภายนานนี่งานผลของทุกเช่ในทุกโอกาสในเรื่องที่เก er ิดทุกเกิดโทเกิดเจ็บเจบตายช่วยจนถึงเวลาเจ็เจ็บเจ็บตายไม่ทําไมเจ็บไม่ทําให้เจ็บไม่ทําให้ตายพวกองตาย มาได้เก็บผู้หวามเก็บไม่ได้ทุกขู้หวทุกเป็นอย่างนี้อาริยชับภายในคือสติปัญญารู้ว่าธรรมะเนี่ยทุกคนก็มีกายมีใจกายใจมาตั้งให้เกิดความรู้ให้ความรู้จากตัวสอนกายสอนใจ ค น, นอื่นสอนม่ไดวางลู่เท่านั้นลู่สึกตัวท่านเป็นครูที่สอนกายสอนใจได้ประกอบขึ้นมาให้มันมีทําให้มีได้แล้วทําให้เกิดมีได้แล้วถ้ามีก็ใช่ได้ใช่แล้วไม่มีก็ไม่ได้ใช่ชีวิตต่าที่ผ่านมาได้ใช่ภาวะที่ลู่นี้คุ้มค่าไหม อะไรมาเป็นเจ้าของกายอะไรมาเป็นเจ้าของจิตจใจเกิดกับกายก็แหวนละลายไปไปถึงสองสองหยางคือรูปคือนาะมกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์มันมีความรู้ไหมมันคุ้มค่าไหมไปโทษอะไรไโทษปุนว่าสนาที่ไหน ระโทษใครเรื่องที่เกิดข้อเราไปโทษใครโทษคนอื่นหรือเขาว่าเราพอททำให้เราอ น, นันต์ก่อนไม่ไม่จบสักทีหรถ้าปฏิปธรรมต้องมาดูแต่ตัวเองไม่แต่ไปโทษใครถ้ามีเจตินะจะได้ หมดเดียนเย้ยเนีที่มาเกิดกับกายกับใจถ้ารูเ้เรื่องการืร่องใจสอนกายสอนใจได้แล้วอันอื่นไม่มีปัญหามาจากเน้นทาสนเสินสุขทุกข์อะไรต่างๆเกิดเจริญปาัาไม่มีปัญหาผู้ฝึกตนได้แล้วไมีชติดีแล้วไม่หวั่นไหวเพราะเน้นทาฉันรัศน์หลวงเจ้าวร่างนั้น เหมือนผูเขาชิลาแทงทิไม่สะเทือนรลุลมฉันใดผู้ฝึกตนดีแล้วมีสติภายในการในใจดีแล้วไม่เสเทือนเพราะเหนินตาสันเฉินเคยเจ็เจ็บตามันเป็นอย่างนี้ทรมะขอจะใครมาได้ตัวใครตัวเหมือนต้องสร้างเอาประกอบเอามีอุปกรณ์แล้ว วิชากรรมฐานก็มีแล้วพระพเจ้าให้ตัดสู้เพื่อทำอย่างนี้นั่งกู้แขนเข้านั่งเหยียดฉขนออกนี่แขนมีมือไหมมีทุกคนคู่ฉขนเข้าธรรมจึงคู่ฉขนเข้าอาศัยวัสดุอุปกรณ์ผิดให้เกิดความรู้จะคิดเอาไม่ได้ มันรูกความจริงที่มันเป็นปัจจัุตังถ้ามันเคลื่อนไหวเป็นหลักเป็นนิมิตมันจะไม่เป็นปัจจัุตังนมันจจะเป็นอดีตเป็นด่าโคตปัจจุบันคือมันขณะเป็นขนาดรู้เฉยเข้าเหยื่อเฉยโด่งข้างเป็นข้างกับรู้เป็นข้างเป็นข้างไปพร้อมพรอมกันกับ นิมิต ท, ที่มันเคลื่อนไหวการหัดต้ อ, ตองมีรูปแบบการฝึกหัดไม่ว่าหัดอะไรต้องจับลงไปสัมผัสลงไปถ้าไม่สัมผัสไม่จับมันก็ไม่เป็นการมาสัมผัสกับสตีต้องก็หัดเช่นเดียวกันกับวัตถุอนอื่น อากาศิมิตที่ตั้งรู้เฉือนเข้ารู้สึกเหยื่อเฉืนออกรู้สึกโจะจะลงไปอย่างนี้มันจะเป็นปัจจุบันเมื่อมันตั้งอยู่ในปัจจุบันนานก็จะไม่จำนาญจะไม่จำนานเหมือนกับต้นก้าต้นข้าวเมื่อฝังลงดินมันมีที่ตั้ง มันไม่ตั้งอยู่เฉยๆมันก็ยอบออกลากยังลากลงไปพัฒนาตัวมันเองโตขึ้นมาเป็นเกิดดอกออกผลได้สติทมัตั้งประเด็นกายนี่ยมันเป็นที่เกิดของมรรคผลนิพพานสติทั้งวัใจักมันเป็นที่เกิดของมรรคผลนิพพานต่อยอดถ้าเป็น มักเป็นผลได้ที่กายที่ใจนี้อันมีกายมีใจเราใช้กายใช้ใจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้จักตัวอย่าใช้กายใช้ใจเป็นที่ตั้งของกันอื่นอันเนื่องมาเคยตั้งเวลานมาแล้วจิตเดกก็พันห้าตันหาก็ร้อยแปดมา พื้นภูกลายพื้นผูใจให้มีจิตเหมือนพื้นภูป่าแต่ก่อนดินนดินแถวนี้ที่เราอยู่นี่เป็นป่าย้าคาป่าพงก็ไม่มีคุณค่าต่อแผ่นดินต่อมนุมนย์พื้นภูจะปลูกต้นไม้ลงไป ก่อนปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้เจรตต้นไม้เลยต้นหญ้าต้นพุ่งก็ยังเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องขยันต้นนี้มันก็ต้องถางต้องดาย้าอันไหนที่ไม่ใช่ต้นไม้ทีเรปลูกก็ด่ายออกไปเราด่ายออกไปแทนที่เราด่ายต้นอื่นๆออกไปต้นไม้ทีเรปลูกงามมีโอกาสงามขึ้นฝึกกายฝึกใจก็เหมือนกันเลยเอาความหลงอกไป ความรูก้กงามขึ้นความทุกข์ปล่อยความลูก้กงามขึ้นมาความโกรธออปล่อยความลูก้กงามขึ้นมาไม่ใช่ความรู้เหมือนต้นหว่านที่เราปลูกต้นข้าวทีปลูป ก, ปกในด่างปล่อยปลูกข้าวเรต้องเราจช่วยเหลือมีศรัทธาช่วย มีความเพียรช่วยลงไปมีสตมาธิมั่นใจลงไปเรี้ยวยแรงลงไปสามารถเปลี่ยนได้มีกําลังเปลี่ยนความล้ายเป็นความดีเปียนอะไรเป็นความรู้สมาธิปัญญาลู่เห็นหลงไม่ถูกต้องคนไม่หลงถูกต้องปัญญาก็ล้อบลอมอยู่วงนอก องเล็บข้างนอกไว้่าให้หลุดไปได้ยอมมาได้จำหนวนมาได้ปล่อยทิ้งมาได้นี่คือฝึกตนสอนตนจะเกิดความขยันขึ้นมาแาลหมาก็หมดได้ต้นขาป่าพงหญ้าขาป่าพงก็หมดได้ไม่มีสักเส้นเดียวเลยปายเป็นป่าเป็นดงขึ้นมา แทน ป, ป่าพงปาา่าห้าคในการในใจเรานี่มีอะไรบางคนก็ยแต่ไปแต่ป่ ะ, ะมาปล่อยทิ้งมานานอาจจะลุกลุ่หลังมากว่าจะสร้างสติคู่แข่งเขา้าเยอะแต่มันคิดไปโน่นคิดไปนี่นั่นแหละนั่นแหละงานของเราทำไมจะคิดทำไมจะคิดอย่าไปว่า นี่มันดีด้วยมันคิดนั่นมาจะได้รู้ความคิดจะเห็นหนมันอยู่นี่หรือเนี่ยมันอยู่นี่หรือเนี่ยมันเหตุมันเกิดที่นี่หรือมันหลงนี่ไปกลับา่าลูนี่เหล่านี่เหล่าที่เร่ารีชัดสิทุกสมมติใจต้องหลุดมากหลงทุกคือจังไรทุกก็ต้องกําหนดรู้ แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วคำว่าทุกข์นี่งรู้ชัดเจนไม่เป็นโศกแน่นอนไม่ใช่สติเห็นที่เกิดทุกข์ละได้แล้วละแล้วกําลังละอยู่แล้วก็ละได้แล้วละได้แล้วอโดยทำอย่างนี้ท้อได้แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ละได้แล้ว สิ่งที่ทับย้ไม่แจ้งทำแจ้งให้แจ้งแล้วทำได้แล้วแจ้งแล้วทำไม่มีเกิดขึ้นแล้วเรื่องเดียวมีประวัติสามหมากาล1ิบสองเราจะพูดราษาปฏิบัติทุกเห็นแล้วเห็นเหมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเหตุเท่าเหตุละพ้นจากทุกนี่ประวัติสาม ในอริยสัจสี่ทุกสมมติไทยในโลดมักสี่อย่างเนี่ยมีประวัติสามเหมือนกันหมดทุกตูแล้วทุกเห็นแล้วไม่เป็นทุกพ้นจากทุกทำได้แล้วเห็นได้เกิดทุกละแล้วกำลังละอยู่ละแล้วพ้นแล้วหนงูเห็นงู ชูขอแผ่เบีย้ยเบีย่ยเหมือนเห็นทุกเ ห, เ, เห็นเนี่ยอยู่เป็นความปลอดภัยหนึ่งเห็นเนี่ยภาวะที่เห็นเนี่ยปลอดภัยาบ้างๆนะ่ะเออเห็นแล้คนเห็นงูเหมือนก็เห็นทุกคนเหนือนความโกรธต่อตินะก็จะไม่ให้งูกัะเด็นออกไปกาลัองออกไปหนีไป หางกลไปถ้าเข้าหนึ่งสองเข้าไปแล้วออกไปแล้วเราไปกลกับพ้นแล้วพ้นแล้วนู่นงูอยู่นู่นพ้นแล้วจากูมีประวัติสามอย่างนี้อะไรก็ตามให้ให้ชัดเกตให้แจ่มแจ้งให้ทะลุทะลวงอย่าทำเล่นเล่นกบกบเกอน มันจะไม่แกมแจ้งอย่ากบเกือนอย่าทำเด่นเดนอะไรเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สติการฝึกตนสนตนนี้ต้องจัดเกณฑ์แม่นยำเป็นท่านั่งถ้าท่านั่งมันทำไมไม่สะดกวกก็เปลี่ยนใหม่วางจังหวะนั่งใหม่ อ่าใส่ให้เกิดความสะดวกแก่ความรู้จักตัวอย่าให้เป็นเวทนามาครอบงำมากเกินไปเดินก็ทําเหนื่อยมากก็เปลี่ยนอริบท่านั่งท่าไหนก็ได้ฝึกใหม่ๆจะอยู่ในอริบทเดียวนานๆมันจะพลาดไม่ชัดเจนในสติเวทนาจะครอบงำอื้อเหมือนเกิดความม่วง จะแก้ควา ม, ม่มงไม่ใช่ไปอดไปทนอย่างอื่นหาวิธีช่วยเยอะแยะลุกขึ้นหรือมือลูปผัวลูปหน้ามองเทศมองทางออกไปจะก่อนอยาไปสร้างจังหวะสู้ความโมงบางทีเราช่้ไม่ได้ถ้าไม่เก่งถ้าไม่ชำนาญเราบ่อยมีเยอะแยะเทคนิคไม่มีไม่มีสูรสำเร็จ ตัวขครตัวมันเหมือนประหลาดสาวกของพระเจ้าเอตตัคขะต่างกันในการมารลุธรรมมีศาสตร์ม่ศีลต่างกันละความเดินชัดต่างกันเราจึงดูเ้าตัวเราให้ดูให้รู้ตัวเรา จริงๆดูโลกว่ามีอะไรมากมีกายมีจใจมีรูปมีน้ำเท่านี้อาการที่เกิดกับรูปกับน้ำมันก็ไม่มีอะไรมากไม่เกิดขึ้นใหม่ไม่มีของเกา่าความไม่เที่ยงความบรรเทาความเชื่อตัวตนแม้ความโกรธก็เกินเกา่าความหลงเกอนเกา่าความรู้ก็คือเรื่องเกา่าไม่ใช่เรื่องใหม่อะัรน่าง แค้อย yeah, ู <í. S 1> ok er men, ่เนี่ยเก่านะไม่เก hmm. <hab> <a> ิดขึ้นใหม่เหมือนอันอื่นนะที่ตันหัว่อนเก่ามาเกิดจากไหนอาจะเป็นเหมือนผู้เจ้าว่าสะลักุศลอกุศนขึอนไรลกุศนก็คือความหลงความโลภความโกรธนี่เป็นอกุศลหนึ่งสองสาม ละตอนนี้จะละยังไงมีสติมันเกิดแต่ก่อนที่จะโลภจะหลงมันเกิดเกิดตัวหลงตัวหลงเกิดกันก่อนตรงกันข้ามกับสติพอดีตรงกันไป๊เลยทีเดียวเวลาเราปฏฐฐฐิบัติเออมีสติก่อ็ละควางชั่วหรอชั่วคืออะไรอุศล์อุศนคืออะไหลงโกรธโลภมีสติก็ละความชั่วนี่ละ แล้วทำความดีภายนตัวจิตก็จะปฏิสุตรร้อยของโชคเป็นศีลแล้วทำความดีเป็นสมาธิจิตปฏิสูตรเป็นปัญญาจึงเป็นพวงเป็นพวงไบ่งทำอย่างหนึ่งได้ไปอีกหลายอย่างถ้าามถูกออทำผิดก็ไปได้หลายอย่าง ง่ายๆปฏิบัติธรรมเจริญจสตินี่เป็นเครื่องทุ่นแรงจิงหนักให้เป็นเบาสิ่งยากให้เป็นง่ายเสมือนว่าถ้าทําตามคําสอนพระเจ้าเหมือนของเก่งปิดได้เปิดออกเหมือนเึมืงที่มันเกิดเกื้อกว่ากับเจปทั้งหมดไม่มีคําถามเหมือนกับสิ่งที่ ปิดเปิดอตกแล้วเหมือนริงที่ควบไว้หงายขึ้นแล้วเหมือนคนหลงทางได้ขี้ทางไว้แล้วการปฏิบัติธรรมมันช่วยเตืเอนได้ท่านวิญญาณโตวันโตเขินขึ้นมาต ว, วันโตเขินขึ้นมาถ้าจัดเกณฑ์แม่งย่อมหนึ่งวันเดวัน เรมืนเลื่องเก่าเหมืนลูกมันหลงก็่ลูกมันหลงก็่ลูกมัอนทุกกว่าลูกปาว่าที่ลูกตั้งไว้แล้วเป็นเจ้าถิ่นแล้วจำเรื่องเก่าจะแน่ร้อยเคยมากับลูกลูกลูกจนานในความลูกขึ้นมาสํานาในการแช่ความรูกความลูกก็เป็นความลูกดูแลกันเดินมีสติดูกายดูจิตมีจิตดูกิตคิดจะดูกิตเองกาจะดูกายเอง มันไม่เอาอันที่ไม่ถูกต้องเช่นเห็นทุกทุกเนี่ยโอ้ทุกต้องตัวตัวมันก็เป็นทุกและหออื่นมาให้เป็นทุกเนี่ยมันก็ขุดคุยออกมาสุบดตรีอ้ไม่ได้อดเลยบุดีหลุดไปเลยตำอลอยขอมโกรธก็ง่วบา่บางจางหายลง มันก็ไปกระทบกระเทือนอ่านั้นแล้วทำหนี้มันกระทบกระเทือนอย่างนั้ น, น, น, น, น, นเหมือนซักผ้าเอาน้าใสเอาก้ายาซักผ้าแช่ไว้มันก็จะจัดเองผ้าก็สะอาดกาจัดเขาทุบๆออกไปถ้าทาถูกเป็นวิธีทาถูกต้องคำมาฐานเป็นความการกระทําที่ถูกต้องเรื่องกายเรื่องใจเราเนี่ย สิ่งที่ผิดทงให้ถูกต้องได้ทุกอย่างกรรมฐานนี่ยิงว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนลายเป็นดีนี่มามีเท่าไหร่เปลี่ยนได้หมดสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจนี่เปลี่ยนได้ทุกอย่างจะเหมือนเกลี้ยงเก่าหมดจดเจาะเครื่องส่งงงในโลกโกลงเป็นตน้น ครบรอบมาถึงวันนี้อาสลาปุชาเป็นวันเพ็ญเดือนเก้าปีสองพนห้าสิบห้านับจากวันตัทลูมาได้สอง0หปีกับอีกเก้าสิบวันต่นาสาปุชานี่ยนับจากวันตัทลูปาสามเดือนเป็นเก้าสิบวัน เราก็มีอายุอยู่นี่ได้เห็นสัมปันกันอยู่นี่้ยทำความดีต่อไปเถอะผู้หเงออกกายออกใจมาทำความดีชีวิตมันหมดไปเรื่อยๆไปยาไปทำมาเดืนอนเถอดสงวนกาสงวนใจเพื่อให้เกิดความดีให้มากที่สุดวิธีทำให้าาเกิดความดีได้เมื่อก็คือโมจูนี้วัดว า, าลามีเพื่อนมีมิตร ไม่เป็นศตูก่อนไม่แย่งไม่แย่งเอางานกับการอลไรกันเพืว่าเธอสมัครใจเป็นข้างเป็นข่าวไม่แย่งไม่แบงปันว่าให้แบ่งปันให้เป็นส่วนตัวส่วนตัวลองใช้ชีวิตจากนี้ลองดูเถอดโอ้เดีย๋ยวนอกก็สามเดือนนี่ก็เอาชีวิตวันเนี่ยให้เต็มที่มีวัดปฏิบัติสําหรับตัวเอง ขีดเช่นไว้ทำอะไรทำอะไรอย่าอย่าเรื่อยๆเธอเธอเป็นเจ้าแบบเจ้าแผนจะหน่อยในระยะสมเดือนนี้บัญญัติอะไรที่เป็นขูดเกาเต่งก็อธิษฐานไหนใจตัวใครตัวมันจะกูเกาเต่งแบบไหนไม่ใจหลายที่บัญเป็นยังไงมาเคื่อนิดสัย เอาขนนิสัยใหม่ขนนส้ใจจากพระพุทธเจ้าจะพระธรรมวินัยเพื่อฝึกตนสอนตนจะมีคุณค่าขึ้นมาจะไม่เสียชาติถ้าไม่ฝึกเสยเลยปล่อยยากกันดน้นยากกันนี่ยยากไปจนตายแล้วนะเาะอยา่าไปใส่ใครอยา่าอาศัยผู้ใดเลยการฝึกตนเนี่ยถ้าไปใส่คนเดินให้คนเดิน ด้วยเอาดีจากคนอื่นไม่มีเลยตัวเราก็ไม่ใช่ะแบบให้คนอื่นมาให้ดีธรรมะสอนให้ช่วยตัวเองตัวเจ้าสอนให้ช่วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นช่วยเอาดีจากคนอื่นมาจ่ายให้มั่นใจให้มั่นใจในพระธรรมเขาสอนว่าปฏปิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดการ ผู้ปฏิบัตต้องทำเอาเองฉันปัจิจะตังของผู้ปฏิเป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อีกอีกรู้เองเห็นเห็งเป็นปฏิจะตังนี่ก็เอาสาผู้ชาแล้วเราก็อยู่ร่วมกันม า, อ, าอุนอกอุน่นใจ เอินแม่ขีเห็นยาเถินโยนที่เป็นวาสกวาสิกาเอินหมู่พระสงฆ์ที่เป็นจังขะร่วมสมัชชามังคีเข้าหมกหลงหอเข้าหม้อหลงไห้อันเดียวกันอาชีพเหมือนกันลักการารมณบกันอุ่นใจแม่เราอยู่คนละกติกาๆกันก็นกนกนกนอุ่นใจอุ่นใจ ก็มีหลายที่ต้องไม่แบงปันมีแต่ความอุ่นใจสิ่งวล้อมมันดีอุ่นใจพืนใจสบายใจเพื่อนดีมิตรดีเายดีเป็นทั้งหมดของของมจันย์เป็นมรรคเป็นผลได้มสมควรมใจเวลาเลย